คนที่เป็นปุตชชนเนี่ยนะหลวงพ่อเคยเปรียบหลวงพ่อประโมทนเนี่ยนะเคยเปรียบว่าเหมือนเหมือนทากอยู่ก้นเหวใช่ไหมเคยเปรียบอย่างนี้เนาะตาบอดด้วยทากตาบอดอยู่ก้นเหวโอกาสที่จะกระดบืบกระดืบขึ้นมาปากเหวเนี่ยยากไหมยากนะเราก็เป็นประมาณอย่างนั้นอนะ่ะปุตุชนคือผู้มืดบอดนะ พูดถูกไปว่าหนามืดบอดและหนาหนาอะไรอะไรหนากิเลสหนาหน้าหนาไหม <laughs> ไม่แน่นะบางคนหน้าบางใช่ไหมกี่อายใช่แต่กิเลสนะหนาไอ้ความหนาและความมืดบอดเนี่ยถ้าได้ยินเสียงบอกทางของพระผู้รู้เนี่ยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปอะไรนะถ้าผู้บอกนั้นบอกตรง ทากตาบอดตัวนั้นก็กระดืบกระดืบกระดืบค่อยๆไปตามเส้นทางที่ครูบาอาจารย์คอยบอกถึงปากปากเหวได้แต่ตอนนี้ข้อควรระวังข้อควรระวังของทากตาบอดตั้งหลาย <c ười> คือมันมีหลายเสียงเสียงบอกนะัทเอ็ดตโรไปทั้งเหวเลยเราจะฟังใคร <c ười> เราจะฟังใครล่ะเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเสียงที่บอกอย่างนี้พาเราไปสู่ปากเหวพ้นไปได้ตอนนี้มีเสียงหลวงพ่อมีมีพยานคือพี่เลี้ยงต่างๆมีลูกศิษย์ของท่านยืนยันว่าท่านสอนถูกสอนตรงเนี่ยนะ <c oughs> เห็นผลตามที่ท่านสอนแล้วพิสูจน์เปรียบเทียบอาตมานะนี่มาเปิดเผยให้ฟังนิดหนึ่ง ต้องป้องปากไหมแบบทำแบบดิเก้นะอย่าไปบอกใครนะฟัง